เพราะฉะนั้นคาถาต่อไปว่านรชนเมื่อเห็นก็เห็นนามรูปหรือเห็นแล้วก็จักรู้จักนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นไอที่เขาเห็นก็เห็นเฉพาะนามรูปเท่านั้นแหละเห็นแล้วก็หยุดอยู่แค่านามรูปเท่านั้นนะ น, น, น์นรชนเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลยเห็นนามรูปมันดียังไงเนี่ยถ้าหยุดอยู่แค่านามรูปเนี่ยนย เห็นก็เห็นก็หยุดอยู่แค่นามรูปเท่านั้นแหละอธิบายว่าคําว่านรชนเมื่อเห็นเนี่ยนะก็คือเห็นด้วยอะไรบ้างเห็นด้วยเจโตปริยานหรือว่าเห็นด้วยปุเพนิวาสานุสติยานหรือว่าเห็นด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อหรือด้วยทิพจักษุเนี่ยนะคือตาทิพย์ก็เห็นนามรูปเท่านั้นแหละเห็นว่ายังไงถ้าเห็นเห็นก็ยังอยู่ในวิปลาสก็ยังเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นอัตตา แต่ก็ไม่ได้เห็นความเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะแห่งธรรมะเหล่านั้นเอออย่างเช่นเนี่ยไอเห็นก็เห็นนามรูปใช่ไหมว่าตาเนี่ยเป็นนามเออตาเนี่ยเป็นรูปสีเป็นนามเออสีก็เป็นรูปเห็นเนี่ยเป็นนามใช่ไหมหูเสียงเป็นรูปได้ยินเสียงเป็นนามเป็นต้นเนี่ยถามว่าเห็นอยู่อย่างเนี่ยมีประโยชน์อะไรถ้าหยุดอยู่เท่านี้เลยเนะี่ยรู้อย่างงี้น้ําดียังไงก็เห็นรูปนาม ก็เห็นก็เห็นแต่รูปน้ำรู้จักก็รู้จักแต่รูปน้ำก็หยุดอยู่เท่ารูปน้ำแต่ถามว่าเห็นแล้วเห็นสุกไหมล่ะเห็นว่าสุกไหมโดยมากก็ยังเห็นว่าเป็นสุกอยู่เอาอย่างนี้นะทานอาหารเมื่ออร่อยรใช่หเมื่ออร่อยยเนี่ยลิ้นเป็นรูปรสเป็นรูปชิวหาวิญญาณเป็นอะไรเป็นน้ำชอบหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบ ก็นามรูปแต่มันอร่อยเพราะในการเห็นนามรูปนั้นก็เห็นแล้วก็หยุดอยู่แค่วิปลาสเท่านั้นแหละเลวิปลาสอะไรยังไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะไม่รู้เหตุเกิดความเกิดของลิ้นเป็นยังไงความเกิดของรสเนี่ยเป็นยังไงความเกิดของชิวหาวิญญาณเป็นยังไงเพราะอะไรเกิดลิ้นจึงเกิดเพราะอวิชชาเกิดลิ้นจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดลิ้นจึงเกิดเพราะกรรมเกิดลิ้นจึงเกิดเพราะ อาหารเกิดเนี่ยลิ้นจึงเกิดแล้วก็นิพพัติลักษณะการเกิดขึ้นของลิ้นแล้วถามว่าลิ้นจะดับดับเพราะอะไรเพราะพระวิชาดับลิ้นก็ดับเพราะตันหาดับลิ้นก็ดับเนี่ยถ้ากรรมดับลิ้นก็ดับถ้าอาหารดับลิ้นก็ดับแล้วก็วิปริณามลักษณะความแปรปรวนไปของลิ้นเนี่ยนะทีนี้ลิ้นเนี่ยมีอาสาธรรมไหมมีเนี่ยนะกรชื่นชมลิ้นใช่ไหมเนี่ยเพราะเรามีลิ้นนะจึงได้กินอาหารอร่อยอร่อยเป็นต้นอ่ะถามว่าลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงลิ้นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลิ้นเนี่ยเป็นเหมือนโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเนี่ยคือโทษของลิ้นอันผู้ที่กําจัดฉันทราค่าในลิ้นได้นั่นแหละจึงจะชื่อว่าผู้ที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะฮัลันปุตุชนเนี่ยถ้าเห็นก็เห็นแค่นามรูปเท่านั้นแหละเนี่นอยนะก็หยุดอยู่แค่นามรูปถึงจะรู้ด้วยจิตธรรมดาหรืออภิญญาจิตก็ตามก็หยุดอยู่แค่นามรูปเห็นเมื่อเห็นนามรูปอย่างนี้ก็วิปลาสต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยนะ คำว่าหรือเห็นแล้วก็รู้จักนามรูปเหล่านั้นเท่านั้นความว่าครั้นเห็นแล้ว <c oughs> เห็นด้วยเจโต ป, ปริยญาณหรือว่าเห็นด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณคือเห็นด้วยรู้จิตของผู้อื่นหรือระลึกชาติได้นเนี่ยนะหรือเห็นด้วยมังสะจักสุหรือที่ประจักสุก็เห็นเพียงนามรูปเท่านั้นแล้วก็รู้จักว่านามรูปเนี่ยเที่ยงสาคัญว่าเที่ยงเหมือนเดิมทุกอย่างอะ่ะสําคัญว่าเป็นสุขแล้วก็โดยความเป็นอัตตาแต่ก็ไม่รู้จัก ความเกิดความดับอาสาท่อาทีนวะนิสรณะนะแห่งธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะคือไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมารู้เหตุเกิดซึ่งหมายถึงการแทงตลอดโดยสมุทยัยสัจจะความดับคือนิโรสาจาัจะเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นความเกิดเป็นอย่างนี้นะความดับเป็นอย่างนี้อาสาท่เคลือบไว้อย่างนี้อาทีนวะเป็นอย่างนี้หรือว่าอุบายเป็นเครื่องสลัดออกเนียเป็นอย่างนี้อั้นเมื่อไม่รู้โดยเหตุเกิดความดับอาสาท่อาทีนวะนิสรณะกนะ็รู้จักอยู่แค่นามรูปเท่านั้นอะ คำว่าเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้เนี่ยนะก็เห็นก็เห็นนามรูปนะเห็นนามรูปมากบ้างเห็นน้อยบ้างแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นของเที่ยงเห็นว่าสุขนะบางคนก็อาจจะไม่เห็นว่าเที่ยงแต่ก็เห็นว่าเป็นสุขบางคนก็เห็นโดยความเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นก็เห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างเห็นรู้จักนามรูปก็ยังวิปลาสตามเดิมเนี่ยนะ มันเหมือนกับว่าคนผ่าศพมามากๆเหมือนกับว่าไม่มีตันหาเลยใช่ไหมมีไหมไม่เดรัะอะไรเนี่ยนะออกมาก็ผ่าไก่มาตั้งเยอะแยะมันก็น่าจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอะไรบ้างไม่ใช่เลยเนไหมวันันก็รู้จักแค่แค่นั้นแหะเพราะอะไรพ่อไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาทํายาตะปริญญาตีระปริญญาจนถึงปหาณนาะวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกปุตุชนทั้งหลายเมื่อเห็นก็เห็นนามรูปเห็นนามรูปวิรู้จักเฉพาะนามรูป เห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างก็ก็เห็นก็วิปลาสตามเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายคือผู้ฉลาดในขันธาตุอายตนะฉลาดในขันธาตุอายตนะก็คือฉลาดในปริญยยาธรรมฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือฉลาดในปหาตปธรรมฉลาดในสติปทานฉลาดในสัมมาปทานอิทิบาทอินรีย์พระโพชงมัชเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าฉลาดในภาเวตประธรรมฉลาดใน ผลฉลาดในนิพานเขาเรียกว่าฉลาดในสัจจิกาตปธรรมมันผู้ที่ฉลาดในอภินัยธรรมปริญัยยธรรมภาเวตปธรรมปหาตปธรรมสัจจิกาตปธรรมหรือผู้ฉลาดในอริยสัจเนี่ยนะผู้ฉลาดเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบเพียงความเห็นนามรูปเนี่ยนะมัรลุไม่ได้หรอกแค่หยุดอยู่แค่นามรูปอนะ พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกแค่รู้เฉพาะแค่นามรูปนะถึงจะรู้ด้วยเจโตปริยญาณหรือรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ด้วยตาทิพหรือรู้ด้วยตาเนื้อเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความหมดจดเพียงเห็นนามรูปแต่ถ้าจะเห็นหมดจดก็ต้องตามเห็นนามรูปโดยอนุปัสนาเจใช่ไหมคือตามเห็นนามรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยง ตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นสุขตามเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเบื่อนายไม่ใช่กำหนัดหรือไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตามเห็นโดยความดับไม่ใช่สร้างนามรูปขึ้นไม่ได้มุ่งสร้างนามรูปตามเห็นโดยความสลัดคืนไม่ใช่เพื่อจะยึดถือนามรูปผู้ที่ตามเห็นแบบนี้แหละจึงจะหมดจดได้จริง จึงจะพ้นจากนามรูปได้จริงถ้ายังไม่งั้นก็กกเห็นก็เห็นนามรูปนั่นแหละมันสรุปที่พระ อ, องค์ตรัสว่านรชนเมื่อเห็นก็เห็นนามรูปเห็นก็วิปลาสตามเดิมอมดนะหรือเห็นแล้วก็รู้นามรูปเหล่านั้นเท่านั้นเห็นนามรูปมากบ้างน้อยบ้างโดยแท้นะเห็นก็อยู่วิปลาสตามเดิมถึงอย่างนั้นผู้ฉลาด ผู้ฉลาดในอริยสัจเนี่ยนะก็ย่อมไม่กล่าวความหมดจดเพียงความเห็นนามรูปนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้บริสุทธิ์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เห็นนามรูปก็บริสุทธิ์ได้นะก็นรชนผู้กล่าวด้วยความยึดมั่นเป็นผู้อันใครๆไม่พึงแนะนำให้ดีได้นะคนที่ยึดถือนะไม่ใช่จะแนะนำได้ง่ายเป็นผู้เชิดทิฏฐิกำหนดไว้ในเบื้องหน้าอาศัยวัตถุใดก็กล่าววัตถุนั้นว่างามเพราะทิฏฐิ นรชนผู้กล่าวความหมดจดนั้นได้เห็นว่าแท้ในทิฐินั้นเนี่ยนะคือคนที่ลัทธิเอาแต่นามรูปอย่างเดียวนะฟังข้อความนี้ก็รับไม่ได้อ น, นะยึดถือนามรูปจริงๆนะนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสสูตรนี้เหมือนแก้ลัทธิเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะเออเหมือนแก้ลัทธินะว่าก็ไอความยึดมั่นของเขานะจะเขย่าไปอย่างอื่นไม่ได้ยึดยุ่เท่านั้นนะจะเอาแต่นามเอาแต่รูปเท่านั้นนะนี่เป็นนามนั่นเป็นรูปนี้เป็นนามนั่นเป็นรูป ดีไม่ดีก็เกิดดับแต่เกิดดับคนละอย่างในคำพีเนี่ยนะเกิดดับในคัมภีร์ก็คือเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25ความเกิดสรุปความเกิดความดับก็โดยอาการ50แล้วก็ยังวิเคราะห์โดยอัดสาธะนะว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสุขโสมนัสยังไงอาทีนะวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเหมือนโรคเป็นฝีเป็นลูกศร อ, อย่างไรและตัดฉันทราคะได้อย่างไรเนี่ยนะ ตามคำพีตามพระตไตรปิฎกท่านแนะนําอย่างนั้นแต่พวกนี้เคยื้อไปไหนก็ไม่ไปยุดอย่างนั้นแหะอยู่แค่นาำรูปนั้นแหละเพราะฉะนั้นนรชนผู้กล่าวก็กล่าวด้วยความถือมั่นนะเป็นผู้อันใครใครไม่พึงแนะนําให้ดีได้แนะนํายากวังนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเมื่อเขายึดถืออย่างใดนะเช่ น, นยึดถือว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นเปล่าโลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นใครใคจะแนะนําให้ดีไม่ได้ว่างั้น หรือว่าแนะนำยากเพ่าะงั้นแปลว่าแนะนำยากมากคือนอรชนผู้กล่าวด้วยความถือมั่นเป็นผู้อันใครๆครยากที่จะแนะนำได้ยากที่จะให้รู้ได้ยากที่จะให้เข้าใจยากที่จะให้เห็นยากที่จะให้เลื่อมสายได้โอยึดหนับเลยนะไม่นั้นมันจ ะ, น จ, ะจะคุยกันง่ายๆพราะงั้นคาว่าเป็นผู้เชิด ท, ทิฐิที่กำหนดไว้ในเบื้องหน้าเชิดข้อปฏิบัติของตัวเองเนี่ยนะนำหน้าเลยว่า เป็นผู้เชิดทิฐิที่กำหนดปรุงแต่งตั้งอยู่ดีแล้วทำไว้ในเบื้องหน้าคือทำทิฐิเนี่ยออกหน้าเที่ยวไปนะทำทิฐิเป็นธงชัยถือมีทิฐิเป็นธงยอดมีทิฐิเป็นใหญ่ถูกทิฏฐิเนี่ยล้อมแล้วก็เที่ยวไปคําว่าอาศายัยวัตถุใดเนี่ยนะความว่าอาศัยอิงอาศายัยผัวพันเข้าถึงติดใจน้อมใจถึงแล้วซึ่งวัตถุ คือศาสดาธรรมที่ศาสดาหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามมักจึงชื่อว่าอาศัยวัตถุใดในเพราะทิฏฐินั้นคําว่าในทิฏฐิความควรชอบใจในลทัทธิของตนก็กล่าววัตถุนั้นแหละว่างามสรุปนะถ้าเขายึดถือครูอาจารย์ใดข้อคําสอนแนวใดลทัทธิใดเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละดีที่สุดอย่างอื่นไม่ใช่นะถึงจะแนะนํายังไงก็ก็รับไม่ได้หรอกพอเขายึดถือว่านี่แหละงามว่า ง, งั้นเขากล่าวว่า ผู้กล่าววัตถุนั้นว่างามกล่าวดีกล่าวว่าเป็นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทีระชนกล่าวว่ามียาลกล่าวโดยลักษณะกล่าวโดยกรณะกล่าวโดยฐานะกล่าวโดยลัทธิของตนจึงเชื่อว่าอาศัยวัตถุใดก็กล่าววัตถุนั้นว่างามในเพราะทิฏฐิเนี่ยนะเนื่องจากแบกทิฏฐิคือความเข้าใจแบบนั้นน่ะนะ ก็เลยนี่ยแหละโอ้ยหลักการของชั้นนี่เยี่ยมครูอาจารย์ของชั้นนี่ยอดเนี่ยนะก็ยึดมั่นถือมั่นแบกหาเหมืนใครจะขยเยื่อไปไหนก็ไม่ไปบางคนเนี่ยนะดึงไปหาพระตนตรายยังไม่ไปเลยนะพระพูทธรัสว่าอย่างงี้นะไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมเพราะพูดขัดกับอาจารย์ของตนเนี่ยนะมันก็เอาอาจารย์ของตัวเองนี่เป็นหลักกล่าวสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยเป็นความชอบธรรม คำว่าผ i mean, ู based, ้กล่าวความหมดจดในคำว่าผู้กล่าวความหมดจดได้เห็นว่าแท้ในที่นีนั้นความว่ากล่าวความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความขาวความขาวรอบอีกอย่างหนึ่งผู้มีความเห็นผู้มีความเห็นความหมดจดมีความเห็นหมดจดวิเศษมีความเห็นหมดจดรอบมีความเห็นขาวมีความเห็นขาวรอบฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้กล่าวความหมดจด ก็คือหมดจดในรัฐที่ของตัวเองอะนะในทิฏฐิในความควรความชอบใจของตนก็เลยถือว่าเห็นวันนี้แท้ได้เห็นได้พบได้ประสบได้แทงตลอดว่าแท้แน่นอนจริงนะเป็นตามจริงไม่วิปริตเนี่ยนะยึดถือในสิ่งที่ตัวเองทํานั่นแหละนะอย่างอื่นไม่ใช่ก็ปฏิบัติของฉันนี่แหละถูกต้องว่างั้นสรุปว่าก็นรชนผู้กล่าวความถือมั่นด้วยทิฏฐิเนี่ยนะ เป็นผู้อันใครๆไม่พึงแนะนําได้ให้ดีได้สรุปว่าแนะนํายากเป็นผู้เชิดทิฏฐิที่กําหนดไว้ในเบื้องหน้านะคือพระทิฏฐิเน้นำหน้าไปอาศัยวัตถุคือที่เขาเคารพวัตถุคือที่เขานับถือเนี่ยนะก็กล่าววัตถุนั้นแหละว่างามเพราะทิฏฐินั้นนะเพราะฉะนั้นนรชนผู้กล่าวความหมดจดก็เห็นว่าแท้ในทิฏฐินั้นเรียกว่าจริงแท้ตามทิฏฐิของตนเนี่ยนะ พรามผู้ทราบด้วยยานแล้วย่อมไม่เข้าถึงซึ่งความกำหนดกำหนดด้วยตันหากับทิฏฐนะิไม่เป็นผู้เล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่มีตันหาหรือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกเพราะยานพรามนั้นรู้แล้วย่อมวางเฉยซึ่งสมมติทั้งหลายที่ปุตุชนให้เกิดส่วนสมณพรามเหล่าอื่นย่อมถือมันอน่นนะคือพระหันท่านรู้ด้วยยานอย่างนี้นะเมื่อท่านรู้ด้วยยานอย่างนี้แล้วอ่ะท่านก็ไม่กาหนดด้วยตันหากับทิฏฐิ เพรา ะ, ะท่านไม่มีตันหาและทิฏฐิเป็นเครื่องผูกเพรา ะ, ะเมื่อท่านรู้อย่างนั้นท่านก็วางวางคือปล่อยไอ้มิจฉาทิฏฐิที่ปุตชนสร้างขึ้นแต่ขณะเดียวกันพวกส ม, มณะพรามทั้งหลายก็เบรกไอ้ทิฏฐิอ น, นั้นแหละต่อไปนะอธิบายต่อไปว่าคําว่าพราหมณ์ก็เป็นชื่อของพระารหันเนี่ยนะผ้ารหัน์เนี่ยไม่กําหนดด้วยตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะ ญาณท่านเรียกว่าสังขารได้แก่ความรู้ความรู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นความเห็นชอบคําว่าพราม์นี่ทราบแล้วด้วยญาณย่อมไม่เข้าถึงความกำหนดความว่าพรามคือผ้าหันเนี่ยพินิษ์พิจารณาทำให้แจ่มแจ้งทำให้แจ้งด้วยญาณว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมรู้แจ้งอริยสัจ ร, รู้แจ้ง เหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนนิสรณะของขันห้าภาษายตนะหมหาภูตรูปสตลอดจนถึงอภินโยยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อท่านรู้ตลอดจนถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วก็ย่อมไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นซึ่งความกําหนดด้วยตันหาและความกําหนดด้วยทิฏฐิ เพราะฉะนั้นพาหันเนี่ยทราบด้วยยานคือแทงตลอดอริยศาสต ร, ร์อย่างนี้แล้วไม่กำหนดด้วยตันหากับทิฏฐิเพรา ะ, ะน์พาหันเนี่ยเป็นผู้ไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่มีตันหาหรือทิฏฐิเพราะเป็นเครื่องผูกอะนะคือเป็นผู้ไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่มีตันหาหรือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกเพราะยานความว่าพาหันนั้นละ ตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยานซึ่งทิศิ62ประการไม่ดำเนินไม่ออกไม่เลื่อนไม่เคลื่อนไปด้วยทิิทั้งไม่ถึงไม่กลับมาถึงทิินั้นโดยเป็นสาระเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่เป็นผู้เล่นไปด้วยทิศินะคือไม่ไม่ไม่เอาทิิเป็นใหญ่คาว่าทั้งไม่มีตัญหาหรือทิิเป็นเครื่องผูกเพราะยานความว่าะ้าหันเนี่ย ไม่ทำตัญหาเป็นเครื่องผูกหรือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกคือไม่ยังตัญหาหรือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะเพราะยานในสมาบัติ8คือท่านไม่เอาสมาบัติ8เป็นที่ตั้งแห่งตัญหากับทิฏฐิหรือในอภิญยาห้ญญาเนี่ยนะอภินยาห้าก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิ หรือว่าเพราะยานที่ผิดเพราะนั้นพระาหันจึงเป็นผู้ไม่เล่นไปด้วยทิฏฐิทั้งไม่มีตัณหาหรือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกเพราะยานเพราะฉะนั้นสมาบัติ8ดอภิญญาห้าของท่านไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเพราะท่านเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําปริญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพรหันเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วะนะท่านรู้ยังไงก็คือรู้ทราบพินิษฐ์พิจารณาทําให้แจ่มแจ้ง ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านทําให้แจ้งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาทีนว่นิสระของมหาพูดขันห้าภาษายตนาหท่านรู้แจ้งแทงตลอดทั้งอภินยยธรรมปริญยยธรรมแทงตลอดอริยสัจละกิเลสโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ จนถึงแทงตลอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาอันพาะอรหัรเนี่ยท่านรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะผลทิฏฐิ62สประการเรียกว่าสมมติทิฏฐิทั้งหลายที่เกิดจากปุตุชนหรือเพราะว่าทิฏฐิทั้งหลายชื่อว่าปุตุชาเพราะทิฏฐิเหล่านั้นอันปุตุชนให้เกิดหรือเพราะชนต่างๆมากให้เกิดเนี่ยนะพวกปุตุชนทั้งหลายอ่ะนะ เป็นผู้สร้างทิฏฐิสร้างลทัทธิเหล่านี้ขึ้นมานะไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันชั่วร้ายเหมือนกับโรคเอดสนะโรคเอดใครทำํำค้นนะคนนี่แหละมันทําขึ้นนะนะขึ้นแล้วมันก็ระบาดกระจายไปหมดละยากทิฏฐิก็เหมือนกันพวกคนมีกิเลสสร้างทิฏฐิเหล่านี้ขึ้นสร้างขึ้นมาแล้วก็ละยากคําว่าย่อมวางเฉยนนะนเนี่ยนะคือพระอรหันต์เนี่ยท่านวางเฉยในทิฏฐินะแต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ถือมั่นอธิบายว่า พวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นย่อมถือยึดถือถื อ, ถอมั่นด้วยามสามารถแห่งตันหาด้วยามสามารถแห่งทิฏฐิส่วนพระาทหา์ย่อมวางเฉยไ ม, ไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวางเฉยแต่ว่าสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ยึดถือใช่หถือด้วยตันหากับทิฏฐิ